หมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้กําลังรองรับจุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะประเด็จคุณเข้ามานะครับขอประเด็นอย่างนี้ ข, ข้อคําถามต้องไม่เกี่ยวข้องกับบทที่สามหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมือง น, นะครับเพราะสถานีวิวที่เราจัดรายการแห่งนี้เป็นสถานีบิวของทางราชการครับมีสายแรกเข้ามาเลยนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับผมเจริจเรียนถามหน่อยนะคะครับจเจอเดยครับ คจะนิมนต์พระที่เดินบาศเนี่ยเออสไหยสังกฐานได้ไหมคะต่อที่ขณะที่พระท่านเดินรับบาศจะนิม น, นต์ให้ท่านรับสังกทานใช่ไหมครับใช่ใชครับมีข้อเดียวนะครับครับขอบคุณมากครับก็ได้อยู่แล้วนิมนต์ที่ไหนก็ได้จงเอ่อพระเดินมินต์บาศก็ได้นิมนต์ที่วัดก็ได้ก็ให้เป็นพระก็แล้วกัน ไม่ได้ว่าอะไรกันขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้ครับสายที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับอ๋ออยากถามว่าเรื่องไปไม่กลับลำไม่เต็มหรือม่มีหนไม่ทนเนี่ยครับครับผมเรื่องพอเออยังไม่ค่อยเข้าใจครับอยากให้อธิบายให้กระจ่างอ๋อเป็นคติธรรมยังไงบ้างนะครับรับฟังทางวิทิตรนะครับครับผมขอบคุณครับ ไฟ ไ, ไ, ไ, <ป S 2> ไม่กลับจะหมายถึงการเวลากับวัยของเราแต่ละวันนะฮะมันไหลกลับไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มันไม่ย้อนกลับมาบไฟไม่กลับหลับไม่ตื่นนั่คือคนนิชาทิฐิรนยตะมิชาทิฏฐิสามประเภทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหลักต่อของวัฏตะมันไม่เปลี่ยนความคิดอะมันปลูกไม่ตื่น คนเหล่านี้พระพุทธเจ้ายจงโปรดไม่ได้คืออังเกลย่าทิฏฐิถือว่าการกระทําทุกอย่างไม่เป็นการกระทำอาเยตุกาทิฏฐิถือว่าผลทุกอย่างไม่ได้มาจากเหตุแล้วนักทิ่กาทิฏฐิไปเสดหมดไปเสดกรรมไปเสด็จสังสารวัฏไปเสดพระพุทธเจ้าไปเสด็จการเรียกว่าแต่เกิดปดอะไรครับ ไอ้นี่ขเขาเรียกว่าหลับไปตื่นพื่อไม่มีนี่คนตายนะฮหนีไม่พ้นก็คือหนึ่งก็คือบุญบาปที่เราทําเนี่ยเราหนีไม่พ้นสองก็คือเมื่อเกิดมาแล้ว น, นี่เราหนีความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นหน้าตาไม่ได้เราหนีเกิดแก่ตายไม่ได้ ออยแกจะตายไม่ได้อยแกจะตายไม่ได้ครนี่เรียกค่าหนีไม่พ้นหนีไม่พนเครับครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับเรารับสายอยู่นะครับชี่ผมจะมีคนฝากมาถามว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลทําบุญเกี่ยวกับเรื่องถวายกรถินนะครับเนื่องจากว่าแรนราการหลายท่านอยากจะทําบุญให้กับพ่อแม่นะครับและอยู่กรุงเทพ ถ้าเราจะทําบุญโดยใส่ที่พ่อแม่ไปโดยที่พ่อแม่ไม่ไ ม, ไม่รับทราบนะครับว่าจะทําบุญให้อย่างเงี้ยพ่อแม่จะได้บุญหรือเปล่าครับเพื่นหนงจังก์ก็เราอธิษฐานนะฮะ ค, คือ <ภา S 2> คือ ค, คื อ, ค, ค, อ, ค, อคือพ่อแม่ที่ตายแล้วเนี่ยตายแล้วยังไหมแต่ยังครับยังมีชีวิตอ๋อยัง<อ>ยังไม่ได้แปลกอะไรวันหลังก็บอกท่าน ออเมืหลังบอกครับผมหลังก็บอกท่านก็ได้นะก็ใส่ชื่อท่านไปชื่อท่านก็อยู่ที่นั่นค่ะคุณท่านถ้าเสียไปแล้วล่ะครับถ้าเสียไปแล้วต้องต้องอุทิศฮะต้องอุทิศนะครับต้องตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ครับครับงั้นแฟนรายการที่ถามปัญหาฝากผมมาถามนะครับก็ถ้าเสียไปแล้วก็ตั้งใจอุทิศนะครับถ้ายังไม่เสียก็บอกท่านอีกทีหนึ่งนะครับสายที่สี่มารออยู่ครับสวัสดีครับแฟนรายการครับครับสวัสดีครับฝากดูรายการท่านอยค่กุ่มด้วยนะครับ ก็ทัดปัญหาธรรมะทัดรับการที่เรามาเกิดในโลกมนุษย์มาเกิดเป็นคนไทยเมืาตัวอยู่ภาคในจังหวัดนั้นก็ดีฮะครับแล้วก็มีความปูไฟมีความหนุนปูพันแล้วก็เป็นชาติชาติไม่ยอมอย่างนี้ครับแล้วการหนรู้สึกอย่างนี้เป็นขังโยกนะครับขอบคุณมากครับ มันมันสังโยชน์มันคนรับได้พระอาหารหันยมผู<อ>้คนมันก็มีสังโยชน์ด้วยกันนั้น <c oughs> นั้นนะฮะมาเริ่มรับสังโยชน์ได้ตั้งแต่ปโสดาบานนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันก็เป็นมานะแล้วก็เป็นทิฏฐิด้วยนะฮะมานะว่าเราเป็นแล้วก็ทิฏฐินี่เราถือว่าเราตัว ต, วตวนเป็คนไทยทั้งหมดนี่ที่จริงก็เป็นสังโยชน์ด้วยกันแต่มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกระดับสังคมเนี่ย เราก็ต้องต้องมีทีนี้มานะจริงๆเนี่ยคนพระอานาันเองดับได้<อ>แต่ว่าทิฏฐินี่ยระโสะดาบันดับได้เพราะฉั้นเรายังไม่เป็นทั้งสองอย่างเลยมันก็เป็นสัญญาณเดียวแล้มันได้ใช่คผมแล้วขอบคุณการจุดระจากก่ายข้อสายที่ห้าครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับเออผมทำรายการนี้ได้อย่างไม่นานนะครับครับผมคือการที่ยราได้เป็นคนภูราก็ขาดสองขั้นมีรอด แค่สิบเปซ็นตแล้วก็สี่เปอรนรู้สึกว่าใหายมากเลยครับครก็อยากจะขอารัธนาเคยก็คงอยู่ับพวกขผมเป็นนานๆนะครับพบพวกผมก็ต้องขอคว่าอย่างทำมานาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้อะไรเว่าเป็นสาระที่เริงนะครับเพรารู้หลักที่ตัวพระองค์นได้สอนมาก็ขออรันาท่านอยู่พวกผมเป็นนานๆนะครับขอบนุมาเลยนะครับ ครับคุณผู้ครับตอนตอนนี้รอดแล้วยมมาอยู่มาอยู่เก้าสิบสิบแล้วติดอยู่เก้าสิบตายสิบแล้วขอย้อนทีนะครับไปรายการที่ครั้งวันจันทร์ที่ผ่านมาหลายท่านก็โทรที่มหาวิทยาลัยนะครับท่านจุ้อาจารย์ครับเล่าให้ไปรายการฟังนิดเดียวเลยครับวันนี้รายการเป็นห่วงมากครับอาการตอนแรกเป็นยังไงแล้วก็ที่ท่านจุ้ยอาจารย์ก็ผ่าตัดแต่หายใจขาดหายใจขาดเลยก็อทําแก้ยังไงมันแก้ไม่ตกก็เลยโทรศัพท์ให้โรงพยาบาลส่งส่งรถมารับ แล้วก็ไปก็ปรากฏว่าหมอก็เห็นว่าเป็นโรคหัวใจที่ที่จะต้องฉุกเฉินแล้วอก็สั่งเข้าไอซีูก็ดำเนินการไปช่วงหนึ่งเลยก็ทางวิเยุทธเขาก็มาเป็นคนไข้ที่ น, น้นเขาจะให้ไปที่น้นกาก็ส่งรถมารับไปก็ไปถึงเขาก็ดำเนินการรุ่งเช้าวันอังคารนะฮะมาไปวันไม่ใช่รุ่งเช้าวันพุธก็ ตัวหัวใจววก็<ช>เรียกว่าฉีดสีแ้่ปรากฏว่าไปเจอเส้นเส้นโลหิตตีบสามเส้นที่หัวใจนะครั บ, <นะ S 1> รบผมแล้วเขาก็ใส่อะไรใส่บัลลูนใส่ลวดใช้เวลาชั่วโมงกว่ากว่าครับ แต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้อันนึ่งตั้ง8ปดหมื่นแล้วพอดีเขาไม่เก็บตามครับก็ขออนุโมทนาให้หลวงพ่อหยุดด้วยนะครับไมว่ามิจฉยุธเขายกเว้นให้พระราพมเตรียมแจว่้าญาติโยมช่วยไปมาก็บริจาคข้ามูนิธีเขาหมดส0งส2ง0 0นะสองแสนสองมันก่อนโยมอนุโมทนาด้วยเลยแกครับก็ขออนุโมทนาบุญสาหรับแฟนรายการนั้นด้วยตั้งพอดีเสรีนะครับข้าวผมก็มาขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับข้าวก็แฟนรายการหลายๆท่านก็ยัป็นห่วงท่านจีคุณอยู่ครับท่านอาจา ก็เดี๋ยวนี้ทุกขจรไปแต่จัหวัไหมครับยังเดินทางอยู่ก็ยังไม่ยังไม่ถึงก็ไปครครับผมถึงก็ไปเพราะอยู่ในระยะพักพักครับแต่ว่าตอนนี้ก็เลยมาแล้วครับก็ทำอะไรได้บรรยายทีอีกสองสามชั่วโมงได้อานหนังสือได้ครับผมยังมีปัญหาอะไรครับก็ขออนุมัตนาแล้วก็ขอฝากไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ตัวจันก็ยังจะจัดรายการกับเสียงธรรมเกษตรปทุมให้เราฟังได้ตลอดนะครับทุกวันจันนะครับสายต่อไปสายที่ห้าครับสวัสดีข้าพเจ้ารายการครับ สว่อีกครั้งครับอาจารย์พระปัญโหรายกคนะครับคือยงดใจอยพูคยอ่าเคืออย่างคนที่เกิดที่ไหนคนเกิดมีวามูกพันในที่นั้นนั้นเกิดในเทวดาก็มีความผูกพันอย่างนางฟ้าด้วยดูดมาเกิดในรื่องนี้แล้วก็าอยู่ในีลับขึ้นไปไห่นะในนี้ผมก็เลยจะถามว่าอย่างคนที่เกิดวันวันฤก เขาเป็นในคนผูกพันกับมนุษย์อุตสาหท่านท่านที่เป็นการทุกข์ทมาณนะครับอ๋อกราบขอขอบคุณมากครับเออคือคือมันอยู่ชี้ตอนเราได้สัมผัสใหม่นะโยมเหมือนก็อยู่กระต๊อบเนี่ยฮะเราเปลี่ยนไปพัดออโอตจนชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยประเดี๋ยวเราก็ลืมกรต๊อบบางคือคือช่วงแรกมันอาจจะมีนะฮะแช่วงที่หลังมันจะลืมเองฮะจะลืมเอง ก็ไม่ต้องกลัวเดี่ยวแต่ว่าถ้าขึ้นสูงเนี่ยก็กก็็หมายความเราจะลืบง่ายแต่ถ้าลงต่าเนี่ยมันก็ตามไมนึกฮะเช่นชสมมติเราเป็นเปรดเป็นอะไรต่ออะไรแล้วลึกชาได้ก็อยากจะเป็นมนุษย์ครับผมแต่ว่ามันมันก็สายไปแล้วค่ะค่คนติดคุกก็อยากจะอยู่ข้างนอกออ <laughs> ครับครับผมขอบคุณครับทุกผู้ชมครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามะครับสายต่อไปสายที่หกครับสวัสดีครับจะตอบถามพระเดชคุณหลวงพ่อ ไอ้ที่บวป็นฤทศหนูฤทศอุทศสุทโ้อแต่ถ้าบวชเป็นระอยู่แล้วหนูไปไปไปถึงเป็นฤาศเลยได้ไหมศองึกษาภาพกางนของความกระจ่างด้วยครับทาบขอบคุณมากครับครับท่านครับฤทศที่ที่เป็นชาวพุทธก็คือบรสกนั่นเองก็คล้ายๆกับแม่ชีนั่นแหละเขาก็ส่วนใหญ่ก็รักษาสินแปดนะฮะฤทีเนี่ยก็แบบโบราณเาเรียกว่าสับบุรุษ ตอนนี้มันมันพวกนี้บางทีเกิดพอใจในบทบาทของฤาษีพุณมันแปลกไหฮะคือมีลูกศิษย์คนหนึ่งตอนนี้ก็เอามาบวชกลับเป็นพระแล้วครับก็เขาบวชเป็นฤาษีนี่หนวดเหนือยประมาทไงมั้งล่ะยาวเลยเลยแต่งถ่ายรูปออกมางงเลยแต่งชุดเป็นฤาษีโคนขึ้นเยอะไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็เจ้าคุณวัดสงเขาไปส่วนให้บวชเป็นพระตอนนี้รู้สึกจะไปช่วยงานในสามประเทศครับแล้วก็ก็เขาก็ไปได้นะเข้าไปได้ จแล้วพระพระต้องสึกก่อนต้องสึกก่อนนะครับต้องสึกก่อนก็อุบาตุคืออย่าลืมว่าพระนั้นศีลมากกว่าวาเคครรัับบด้ต้องสึกไปก่อนซาบผมซาบผมคุณท่านจู้ครับสายต่อไปสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับขอถามว่าไอคนทุกข้าวจะได้นะซาบผมแล้วบอกว่าคนเราแล้วควรหลือวิี่ารทบ้านไหนครับ ครับลูกกุลีวิจิตรทา้งบ้านก่อนนะครับสายสายกล้องนะฮะครับเชื่เลยครับแล้วคนชานาซมาบอกว่าคนตายแล้วก็เกิดนะเกิดเสมอใช่ไหมทีนี้ไอ้คนที่ฆ่าจะตายเขบอกว่าวงวิญญาณนีไม่ไม่ไม่ควรจะเกิจริงหรือเาครับกอครับผมครับกลับมาฟังพังวิยุนะครับครับผมขอบคุณครับมันมันก็ตายอย่างไงมันก็ไปเกิดตรงนั้นเนี่นะฮะถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ะนะครับ ทีนี้คนฆ่าตัวตายมันอยู่ที่สภาพจิตเขาก่อนจิตจะดับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตกนรกมันเลยสูงครับนะเพราะว่าสภาพจิตผิดปกติะการฆ่าตัวตายมันมีลักษณะของอาจจะคับแค้นคือเป็นโทสะหรืออาจจะโมหโนะอโิที่จะได้<ะ>โมหะมันก็เสี่ยงต่อการเปสัตว์ติราชายาถ้าเกิดโทสะก็เสี่ยงต่อการเป็นนรกโอทีนี้เราเราคื อ, ค, อคือว่าคนบางคนเ ข, าข้าฆ่าตัวตายด้วยกุศลและเจตนา ก็มีนะฮะเพราะว่ามีพระอรหรันต์บางรูปเขาก็บรรลุเสี้ารูปไปเจอเนี่ยคือท่านฆ่าตัวตายแล้วเอาตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวแกวเนี่ยเป็นเจริญวิปัสนา<อ>กรรมฐานแล้วก็บรรลุมะขุนพร้ อ, รอมบรรลุเสร็จก็ก็ก็ตายเลยครับก็ เ, เรียกพระอรหันต์ประภรเภทนี้ว่าชีวิตะสมะสีสีชีวิตะสมะสีสีครับขอบคุณเชิญคุณจ่ายครับสายที่แปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับ กับพระโกริยุทธ์ในตึงนะครับครับผมครับผมสอบถามนิดหนึงครับเชิญเลยครับพุิการในพุทธการนะครับเอ่อปัชนามีสอนนะครับผมไม่ทราบว่าทำไมต้องพระในสมัยนี้ต้องไขว่คว้าหาราบเยอะด้วยครับพวกมาหาพวกปริเลียนอะไรนงี้ครับครับผมใจใจใจเย็นครับเอาหมายถึงว่าใบายพุทธการกับที่ยวกับปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วฟังทางวิญญนะครับ ครับขอบคุณครับคือมั น, ม, นมันที่จริงมันเป็นเงื่อนไขท า, างสังคมนะฮะครับคือหมายความว่าสังคมยกย่องเพราะว่าพระนี่ต้องเรียนที่ที่ที่ก็เป็นมหาเขาก็เรียนพระไตรปิฎกนั่นแหละครับเรียนไระไตรปิฎกอ่ะแต่กถาก็ทําให้ก็สามารถแปลพระไตรปิฎกแปลแต่กถาได้ครับแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็ยกยอ่องอยศนี่มันไม่ใช่แสวงหาหรอกมันเป็น เป็นราชสักการะที่ประมากษัตริย์ยกจ้องมอบหมายภารกิจให้พระเหล่านั้นปฏิบัติเพราะนั้นในในตราตั้งเนี่ยเขาจะบอกว่าขออาราธนาพระคุณโปรดรักธุระพระพุทธศาสนาเป็นพาะสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์ไปภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเทินครับทีนี้ลักษณะการสังคมเนี่ยมันต้องมีสถานะคือต้องมีตำแหน่งมีอำนาจมีหน้าที่ ค, คือสามอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่งั้นมันทํางานไม่ได้ครับนะทางราชการก็ข อ, อประถามขอให้สนับสนุนให้ท่านทํางานครับแต่ต้องต้องให้ที่นั่งท่านแหละถ้าไม่้นท่านทํางานไม่ได้เช่นสมมติให้ดูแลอำเภอเนี่ยแต่ท่านไม่มีตมําแหน่งมันก็ดูไม่ได้ครับอ้นี้มันเป็นกติกาทางสังคมสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันนะฮะโยมก็ตั้งเหมือนกัน ตำแหน่งพระแจกพัดตำแหน่งจัดเสนาสนะตำแหน่งต่างๆนี่เยอะเลยครับอยทในทำทอนทททอบริหารองค์กรนะโยมมันไม่มีตำแหน่งหนะ้าที่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ดิ้นรนคือต้องเป็ น, ต, ปนต้องรับผิดชอบใครับงานพระศาสนาเขาจะดิ้นรนก็จะเป็นน่ะดิ้นรนเพื่อจะรู้ครับ แต่มันจะดิดนรนเพื่อจะเป็นไอ้พวกดิ้นมันอาจจะมีนะฮะแต่รเราก็เราก็ไม่รู้กขาหรอกครับขอบคุณเจ้าคุณแจ๊กซู๊ดสองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งานะครับสอบถามปนาธรรมะกไม็ได้นะครับที่คุณจะมีแฟนรายการโทรศัพท์มาถามผมนะครับเมื่อดูรายการทีวีบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนหลายคนนะครับปฏิเสธว่าตัวเองไม่น่าถือศาสนาอะไรเลย แล้วนี่บางคนก็ถามว่าไมีได้เหรอครับคนที่ไม่มีศาสนาอะไรแล้วจะอยู่ได้ยังไงแล้วก็ในสังคมต า, ายแล้วเกิดเนี่ยเขาจะไปเกิดไปยังไงบ้างยังไงบ้างแต่เมื่อเขายอมเขาบอกกับตัวเขาไม่มีศาสนานับถือแล้วใช่ไหครับคือมันอยู่ที่การกระทำครับผมคือเราต้องเข้าใจว่าศาสนามันมีตั้งแต่ปฐมภูมิศาสนาที่เป็นรูปเป็นร่างอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีมาไม่เกินสามพันปีครับ มนุษย์มันมีมาก่อนหน้านั้นตั้งนานนี่ก็เลยศาสนาที่ตายไปแล้วก็มีเยอะปัญหาว่าพฤติกรรมเขาทําดีหรือทําชั่วอ๋อเร่ยนที่พฤติกรรมนะครับการกระทำของเขาเบียดเบียนตนเองบเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือไม่ครับอเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือไม่ถ้าเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเขาก็เรียกว่าบาปบาปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาบาปนี่มันเป็นกฎครับการกระทำนี่เป็นกรรม วันกฎมันมีมาอยู่ก่อนกรรมมันก็มีอยู่ก่อนศาสนาเกิดทีหลังบุญเจ้าจะจะรู้เรื่องกรรมไงจะจะรู้เรื่องกฎครับผมเห็นไหมฮะกฎเ้ามันอยู่ในอายศาสตร์สี่แต่ทั้งทั้งทั้งหมดมันก็ต้องอาศัยกรรมคครับือการกระทำของคนนั่นนี่เกี่ยวเหรฮะคือคือที่เขาบอกเขาไม่มีศาสนาที่จริงเขามีครับแต่ไม่มีในรูปของสถาบันองค์กร แต่ว่าเขาก็มีหลักในการคิดในการทําในการพูดเป็นสามีทําหน้าที่สามีดีดูแลลูกเต้าวพัญญาก็ทํ anchor, าหน้าที่พัญญาดีมันก็มีศาสนาก็การกระทําใจชายเขาคือการกระทําที่ถึงขั้วอย่างมีศาสนาอยู่ไม่มีหรอกมนุษย์ไปไล่คลาดกันเหมือนกับแมวอะไรต่อะไรอันตรามีหรอก ก็ก็มีแต่บางพูดต้องการโกะไงต้องการโกใช่ครับต้องการอวดต้องการอวดตัวเองเจงไม่มีศาสนาเนี่ยับมันเป็นสภาพที่ไม่ค่อยปกติมันมีพลังวันก่อนเข้ามาชาวสวีเดนฮะอธิบายว่าตัวเองไม่มีศาสนาเขก็มีล่ามมาโดยประมาณอธิบายให้ฟังบอกว่าคุณนี่เป็นพุทธโดยโดยสภาวะทางจิตคุณเป็นพุทธมานานแล้วคือคิดของคุณน่ะคือพุทธ พุทธมันเป็นกฎธรรมชาติมันมีอยู่แล้วถ้าตรู้มีอยู่แล้วภายนในใจมนุษย์อ่ะใช่ไหมแต่มันพัฒนาขึ้นมาอยู่ที่รู้ชัดเจนในที่พระเจ้าทรงแสดงหรือไม่แต่นั้นเองเพราะฉะนนคุณเนี่แสดงออกมาเป็นพุทธแล้วแกก็ดีใจนะครับไปซื้อหนังสือธรรมะมาเอากุดทั้งเยอะเลยโ <laughs> งลง่งๆว่าแกเป็นพุทธแล้วเป็นพุทธแล้วท <laughs> ีว่รู้ใ <laughs> จครับแล้วคนนี้นี่ น, นะครับ การเป็นพุทธเนี่ยจำเป็นมันก็ต้องประกาศตัวครับท่านพิจาหรือว่าเรานับเรานั บ, นบถือองค์สมเด็จสมาสุสจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนก็เป็นพุทธได้เลยครับก็เป็นนะครับผม ก, ก็เป็นอยู่แล้วครับผมคือการประกาศในที่จริงมันเป็นการยืนยันสถานะตัวเอ ง, องมันก็เป็นกระจายทีิอย่างหนึ่งคือมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะหมายความว่าท่านตัปุสสะภริกาีนประกาศตนเป็นอุปสมุคนแรกในโลกครนะแต่ถึงพระพุทธกับพระธรรมครับผม เหมือนั้นอันนี้มันกลายเป็นฟอร์มซึ่งซึ่งโดยใช้ แล้วก e um ็เมืองไทยเราที่จริงเพิ่งใช้เมื่อตอนเนี้ยตอนตอนตอนพระปิตุลาของในหลวงเนี่ยจะฟ้าหมาวิจุริณในหิตเสด็จศึกษาต่างประเทศราชการที่ห้าให้แสดงตัวนพุธมามกะเราก็เลยมีจารีตั้งแต่วันนั้นอนก็ประมาณร้อยกว่าปีตั้งแต่นี้ครับขอบคุณครับท่านท่านครับสายต่อไปนะครับสายที่สิบเอดครับสวัสดีครับครังกลางราชการพระเอกพลด้านครับผมขอถามปัญหาเกี่ยวกับใจไม่กลักลับสม่ถูกคือมีนอีครอบหนึ่งครับผมแล้วก็ ไม่สามารถมองเป็นหลักธํามสัมผัสได้ขอขอชัดๆอีกครั้งเลยนะครับเพราะดีเสียงค่อยมากเลยครับครับผมคืออยากข้าวเี่ยวกับหลักธําไปไม่กลับรับไม่เสริมฟ้งไม่มีมีเพิ่อีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถมองเป็นหลักธํามสัมสูงได้หรือเปล่าครับครับถ้าไปไม่กลับป็นพระอาหารที่สําเร็จแล้วท่านไปแล้วไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้ามาเสนอได้หรือเปล่าครับผมขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับผมคือคือที่คนเขาคิดเนี่ย เขากรับป่อๆกันมาแบบอาขยานโดยไม่เข้าใจความหมายนะฮ ะ, ะแต่ว่าเราเอามาศึกษาอยู่นานเหมือนกันนะฮะจึงเจอ เ, อเจอที่มาก็ปรากฏว่าอย่างอธิบายไปแล้วน่ะคือไปไม่กลับได้แก่เวลาที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเลยเราสัมผัสได้เฉพาะปฏิวัติวันขณะในขณะเดียวกันเอาเวลาชีวิตเราไปด้วยเอาชีวิตเราไปด้วยใช่ไหมนี่คือไปไม่กลับเลย แล้วก็หลับไม่ตื่นก็คือมิจฉาทิฏฐิอย่างที่บอกว่ามิจฉาทิฏฐิที่แรงน่ะนะมิจฉาชทิฏฐิก็เรียกนิยตามิจฉาชทิฐิที่มันแรงเนี่ยมีอยู่สามข้อคือไปเศษเหตุไปเศษผลแล้วไปเศษทุกอย่างความดีทุกอย่างกดเกณฑ์ตั้งหลายนี่จะไปเศษหมดเลยทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปนะชีวิตก็จบลงที่กองขี้เท่าอะไรอะไรแกก็ว่างอ้เลยทีนี้พื้นไม่มีคือความตายนะพูดไม่มีนี่คือความตาย หมายความว่าคนนั้นตายไม่ไม่ฟืน้นถ้า <ทะ S 2> ฟื้นก็แสดยงว่ายังไม่ตายแ <ทะ S 2> ต<ะ>่ว่าตายนึงก็เกิดต่ออส่วนนี้ไม่พ้นก็อย่างที่บอกกันนึงคือบุญบาป <ทะ S 2> เรา <ผม S 2> ทําแล้วเราหนีไม่พ้นถ้าเราต้องการหนีเราหนีอย่าทําบาป <ทะ S 2> แล้วก็ทำํำเฉพาะบุญเพราะบุญไม่ต้องหนี <paste S 2> ออแล้วก็เราเกิดมาแล้วเราหนีแก่เจ็บตายการพลาดๆนี่ไม่พ้นครับแล้วก็เราเกิดมาแล้วเราหนีกดใจรักนี่ไม่พ้นครับนะแต่ว่ากดใจรักษณมันอยู่ข้ามภพข้าชาติไปนะ อ ท, ทีนี้จะถามว่าเป็นทหารได้ไหมมันก็ถ้ารู้แจ้งไปรักมันก็เป็นทหารได้ใ ช, นะใช่ไหมข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายเนี่ยหรือแม้แต่ว่าถอนพวกนียตามอิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ออกอย่างน้อยก็เป็นมรสดาบันได้ครับ หรือว่ารู้เท่าทันกาลเทศะแล้วก็หาประโยชน์จากตรงเนี้ยเห็นชัดเจนธรรมะในขณะจิตที่ปรากฏแล้วก็ดับกิเลสได้มันก็เป็นได้นะฮะหรือว่าไอ้ไอ้ตัวฟูดไม่มีเนี่ยเราเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาก็ ก, ก, ก็ถ้าจะมองอย่างนั้นมันก็ได้หมดนั่นแหละครับเพราะจริงๆนี่คืออารมณ์กรรมฐานอยู่แล้วนะฮะ ผมก็ต้องยอมลาวเอาเวลาไปดูก็เหมือนกับเหมือนกับพวกเราท่องอักขยาญนะที่ผู้สอนไม่ได้แปลความหมายิะทำเป็นที่ผูาจารย์เลยครับนีชัดเจนมากเลยครับก็เป็นครั้งแรกขอขอบคุณที่อู้จารย์มากเลยครับสายที่สิบสองครับผมสวัสดีครับขอถามคำถามั้งสองข้อนะครับเชิญเลยครับข้อหนึ่งนะครับถ้ะไปกดเงินตัวเองที่ตัวเอทีเอ็มเนี่ยมันจะเป็นตรรกะหรือเปล่าข้อสองฮะฮะคุยทางโทรศัพท์กะติกา ไม่ได้คุยจกตไมาได้คุยร่อแหลมทางสูสาวแส่อยางใดต้องสิ้นครับผมหาณาคุยพระมีความรู้สึกทางอาวัยวะเพศรองเพศนิดหน่อยครับผมแต่จิตพระไม่ได้กำหนัดทางเพศใต่อย่างใดต้องน่ะและ้วถ้าแล้วมีความรู้สึกนี้พระเลยคุยทันทีพระจะเป็นปรัชญาหรือลังคาพิเศษด้ว ย, ยหไหมนะครัครับแล้วหยุดมากเลยนะครับครับรับฟังจากวิชซึนนะครับ ไม่แรงขนาดนั้นหรือว่าอะไรนะโกดเงินอ๋อเอทีเอ็มเงินของท่านเองท่านไปโกดอย่างดีก็ถูกจับจับต้องเงินทองนะจะต้องเงินทองก็เป็นนิติคีนิติคีน้องเด็แล้วก็ไอ้นนท์ก็ออย่างมากก็เป็นบาจิตตียนะฮะนะแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้ถึงสังขารทิเศตเวลาชี้อะไรหรอก แต่ปัจจุบันถ้าไม่ติดต่อก็สำเร็จไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วพี่คือหมายความมันสมมุติพระเจ้าทรงรับชนอยู่ก็ต้องต้องต้องอนุญาตนะครับผมเพราะว่าโลกมัก้าวหน้าครับคือคือถ้าเรามองวิธีการบัญญัติภายในของพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ให้ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเรียกว่าสมิดประโยชน์ครับการพูดต้องให้ผู้ป็นกิตตลักษณะไม่แปลกอะไรหรอกคือโยมโทรถามปัญหาเราไม่ตอบเบอร์กลัวร่องอาบัติอย่างนี้มันก็ เกินไปแล้วจริงๆก็เป็นโอกาสทําให้เราเทศได้แม้ทางโตทางทางโทรศัพท์เทศได้ทางวิทยุเทศได้ทางโทรทัศน์มันก็เป็นเครื่องมือเนี่ยคือปัญหาว่าพวกนี้เราต้องเอามารับใช้เราไม่ใช่เรารับใช้มันไม่เรารับใช้อารมณ์เรากลายเป็นเป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารธรรมะครับโยมโทไปกุฏิเราก็ตอบให้ก็ดีอ่ะก็ช่วยกันครับคุณเจ้าบุญาจครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับถามอะไรครับอสไรครับการเดาเนี่ยจะเป็นการปลี่ยนมูสาหรือเปล่าครับการตอบทางเดานี่การเดาเหรอครับครับครับดาว่าถูกดาอย่างนี้ใช่ไมฮะตามใจเราเนี่ฮะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นถิ่นินข้อมูสายหรอเลครับครับผมมีข้อเดียวนะครับ อ, อ, อ, อ๋อเขอพักจะฟังดาวโทรโทรศัพท์นะครับอ๋อเขาพักจะโทรสับได้ไหมอ๋อ<ห>คือดาวนี่มันเป็นอย่างนี้คุณคือว่ามุสาเนี่ยหมายความว่าเราไม่พูดตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ไอ้ น, นี่คุณรู้อย่างนั้นนหะคุณก็ตอบป็อย่างนั้นแหละครับพูดตามที่รู้คร<ช>ับไม่ผิดหรอกครับพูดตามที่รู้ไม่ผิดนะครับแม้แต่เรื่องในหัวใจไม่จริง ครับแม้แ่ถ้าไม่รู้นี่ผิดใช่ไหมครัถ้าถ้าไม่รู้นี่ผิดอาจารย์บอกแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้นะครับแม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่จริงก็ไม่ผิดคุณเดาเอานี่ไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้ว่ามันผิดนะฮะใช่ไหมไม่รู้ว่ามันผิดแต่ว่าเรารู้มันอย่างเงี้ยไม่ได้ครับอ๋อไม่รู้ว่ามันผิดนี่คือผู้สาวว่าถ้เดาด้วยดาวเฉยๆนี่ผิดใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ไม่ฮะครับผมเป็นความเข้าใจของเราว่าอันนี้มันน่าจะถูกครับ จะแมมันถูกหมดลูกหมดได้ยังไงเราเราเห็าาครับสบายใจเด้นะครับแล้วฟังอยู่ที่ไหนครับโอ้แปรรายการประจำเลยครับสงขาครับชัดชัดเจนไหครับทางทรศัพท์เลครับ้ผมผมฟังชัดไม่ชัดครับครับผมครับสวัสดีครับฟังตอเนงเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับการแปรายการประจำเลยสงขาโทรเดตู้โทรศัพท์สำคัญครับขอบมากเลยนะครับสายที่สิบสี่ครับผมสวัสดีครับ กรับนักวการพระเดชพระคุณเจ้าค่าสสะสอบถามเจ้าคุณอาจารย์ได้เลยครับเออคําถามคือว่าคือเราจําเป็นต้องสมาทานศีลทุกเช้าหรือเปล่าถ้าเกิดเราตั้งใจว่าเราจะไม่ผิดศีลแน่นอนตรงตรงสมาทานศีลตอนเช้าเราจําเป็นต้องทไมไหมนั่นคือข้อที่หนึ่งค่ะ ข้อที่สองครับข้อที่สองคือแล้วถ้าจำเป็นต้องสมาทานศีลตอนเช้าแล้วก็ตอนคืนเนี่เราต้องสํารวจศีลทุกคืนหรือเปล่ามีความจําเป็นหรือไม่ยังไงคะโอ้โหคล่องแคล้งมากเลยนะครับเป็นใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเราฟังทางวิญ น, นะครับมาดูครัการสมาทานและการสมาธิศีลเนี่ยแปลว่าเจตนาการงดเว้นการสํารวมระวังการไม่ล่วงละเมิด ก็ชื่อวสีแล้วเพราะ ง, งั้นเราตั้งใจสำรวมระวังมันก็เป็นสีแล้วไม่ต้องมาทาน ใ, นใครๆหรอกแล้วก็ส่วนการจวจ ด, ดูสีได้จริงมันดีนะเพราะว่าเป็นสีหลานุสติไปด้วยและถ้าเราเปรากฏว่าวันนั้นเราไม่ทำชั่วทาผิดอะไรเลยเราก็หลับไปได้ปีติ ทีมีสีลานุสติเป็นอารมณ์มันก็ทําให้จิตคล่องใสนะจะนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายบุกบดีนะฮะทําได้ก็ดีก่อนมุธนาขอบคุณครับที่เปิดจับสายที่25ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับเอ่อขอเห็นกับธรัมทการเกษตรพระคุณหลวงพ่อผมอยากจะถามว่าความเป็นมาของหนังสือ วิรินปัญหาครับซึ่งมีความเป็นมาอย่างไรทาไมประวัติของพระมาพระนาคเสินคล้ายกับประวัติของก็โมคคีบุตรติสสะเทลาที่ทาสังขยาณาที่สามครับเป็นโซวะ <c oughs> ที่พระอรหันต์ไปตูนเจอครับรือว่าถ้ามาบวชเป็นเนรุทาไมประวัติคล้ายกันมากมแล้วก็ที่สามก็ที่สองก็ที่สองครับ อยากจะเรียถามว่าความจริงก็ผมไม่ครูสอนเทําไหรเลยฮะจ้าผมแต่สงสัยว่าได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาเป็นเนขาเขียนบอกว่ า, อาของหลวงสู่มัน่นเขาบอกว่าอะหันละหันเนี่ยปัญญาวิมุตต์กับเจตวิมุตต์จะต้องพร้อมกัน คือพกกุทธจะบรรลุมาอารักขได้จะไม่มีแบ่งแยกครับเป็นสุขาวิปัสสุว่าทั้งสีนะนะ่นั่นแหละฮะธรรมะเพราะว่าถ้าบรรลุถ้าปัญญาวิมุติเป็นวิปัสสุอย่างเดียวเนี่ยคือไม่ได้บำเพ็ญดังสมาธิมาก่อนก็เรียก ว, ว่าบรรลุอย่างแห้งแรงเนี่ยเพราะคนที่บรรลุวิมุติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าต้อง เป็่นเสี่ยมทั้งเจโตแล้วสรุปก็คือสงสัยว่าต้องพร้อมกันหรือเปล่าใช่ไหครับปัญญากับเจโตใช่ไหมครับหมายความว่าคนที่จะมารู้ภาระหนันเนี่ยครับินสมาธิปัญญาขาสามนี้ต้องบริบูรณ์ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งเป็นสี่แล้วท่านบอกว่ามีการแบ่งยินเด็คขาบแล้วฟังทางวิชวินนะครับวันนี้สายมาเราอยู่เยอะขอบคุณมากครับ เขาเรีกมิลินท์ปัญหาครับที่ต้องการอ๋อคือมิลินท์ปัญหาเนี่ยมันมีความเป็นมาท่างเน้นที่วหน้าเกษตรนะคือ ต, ตัวคนเรียบเรียงเนี่พระเตยบิดอกทอนนะฮะพระตรีบิดอกทอนก็เข้าใจว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการจําแล้วก็นํามาเล่าแล้วเรียบเรียงทีหลังเออ ชวนประวัติเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยฮะพระอุปคุธก็คล้ายกันพระติสสะมุกคลีบุตรก็คล้ายนะแต่ว่าคืออย่าลืมว่าคนเหล่านี้มันต้องมีบุญญาธิการสูงส่งมากครับ ถ้าคนปกติธรรมดาไม่จะเทวดามาเกิดไม่จะพรมมาเกิดแลยไปสู้ปัญหาไม่ได้หรอกดังนั้นผู้คนนี้เขาเรียกว่ามหาเทพจุติลงมาเพื่อแก้ปัญหาพระศาสนาอ oh, <า>เป็นมหามหายความว่าถ้าท่านจะอยู่ท่านก็อยู่ได้ครับแต่ว่าท่านก็ต้องตัดใจว่าปล่อยวางสุขสมบัติที่เป็นทิพยสุขมาอยู่ในนิพพานสุขครับ ท่เองไม่ได้คิดคนอื่นต้องไปชวนท่านนะ <laughs> เพราะว่ามันมีบุญญาธิการครับ <laughs> ม, มีบุญญาธิการเฉพาะนะคือคือที่จริงสังคมเนี่ยมันเราจะเห็นว่ามีตัวเฉพาะเลยว่ายัางพ่านนเรศวรก็เกิดมาในยุคที่เฉพาะกรณี <laughs> เจ้าตากก็เกิดมาเฉพาะกรณี <laughs> เห็นไหมฮะหรือแม้แต่นางศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็ดจพระจอมกล้สมเด็จรามาเนี่ยมันเกิดมาหนุนกันครับ <laughs> พ่อมารีเริ่มต่อไม่ทันลูกก็ต่อให้ก็ทําให้สืบต่อกันมาจนปัจจุบันเหมือนั้นมันมันมันเป็นเรื่องของเรียกว่าต้องอาศัยปุเพกตะปุญญตามากแล้วก็บารมีมากครับเพราะว่าจะมาสู้กับคนระดับนี้ถ้าไม่เป็นผ้าละหันที่แตกฉานในบาททําไม่ได้เลยได้ครับทีนี้ในในการมีการอยู่ที่ท่านว่าเนี่แต่เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพูทเจ้าจําแนกไว้สี่อย่างครับผม ส่วนใครจะเขียนเรื่องของเขานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการบรรลุเนี่ยมันเป็นความสมบุนพร้อมของศีลสมาธิปัญญานะเพียงแต่ว่าท่านที่เป็นพอมาถึงพระอนาคามีเนี่ยท่านที่เจริญวิปัสนาล้นล้นเนี่ยพอถึงพระอนาคามีเนี่ยสมาธิเนี่ยมันเกิดได้เอเอชาเนี่ยมันเกิดได้เองอคือมันเกิดโดยธรรมชาติเขามันสภาวะสังจิตอ่ะสภาวะสังจิตมันก็เกิดขึ้นมาครับผมทีนี้มันมันมันเอจะ จะถือว่าพร้อมกันมันไม่ได้มันขนาะมันคนละขณะกันคือคือตอเลนเรืยแบบว่าพิรรมมันคนละขณะดกันนะฮะแต่ว่าถ้าจะจะพูดง่ายๆว่าพร้อมๆกันคมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาแยกไว้อย่างนั้นนะส่วนเนี้ยเช่นเช่นไปจากกุบาลเนี้ยเป็นสุขวิปัสสกะท่านก็ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรหรอกรมันก็มีตัวอย่าง ส่วนใครเขียนก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปติดใจมากเราต้องเอาตัวหลักที่เป็นเป็นหลักอเอาว่าพระใจรีดิดกว่ายังไงก็แล้วกันหรือจะไปยุ่งในคนเหล่านี้มากนมันยุ่งอะ่ะปวดหัว <c oughs> กเว็เป็นจะงหวัดใจครับสายที่สิบหกครับสวัสดีครับ ความเรียนถามเรื่องการบูญนะฮ ะ, ะ<ม>คือผมมีญาติสนิทนะครับคือเขาทบุญอย่างนี้ครับเขาไปวัดใหญ่นะครับเขาก็ทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะทำ อ, อยู่วัดเดียวไอพ่อแม่ไม่ค่อยให้คเพราะฉะนั้นผมอยากจะการเรียนถามว่าระหว่างการทบุญวัดใหญ่กับการให้พ่อแม่ชายนี่นะฮะให้ไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับการเรียนนวัสกานครับเออคุณแฟนรายการท่านนี้ถามติดติดเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับเออเกิดว่ากันตามความจริงน่ะทำบุญแบบอย่างนั้นก็เรียกทำบุญแบบงมงายครับเออคือศรัทธา แบบมุมนายแล้วก็ถ้าเรามองถึงคุณภาพแล้วเนี่ยพ่อแม่คือพระอระหรันต์ครับนะและทีนี้พระที่โลภเอาเงินชาวบ้านโดยไม่ได้คิดคว่าเขาจะเดือดร้อนอยังไงเนี่ยมันใจไม่บริสุทธิห์หรอกเพราะง <c oughs> ั้นก็เหมือนกันนาที <c> ่ <oughs> มันลุกลุกนดอนะมันนามันแข็งกระด้างหวานพืชลงไปก็ไม่ได้ผลว่ะ แต่ผลน้อยเชื่ยกว่าพ่อแม่มันเลี้ยงดูพ่อแม่เจอะคเแต่พวกนี้หน้ามืดหมดแล้วพูดไม่ได้ล้างสมองคขอบคุณเจ้าคุณจ่ายจ่ายครับสายที่สิบเจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอบถามด้วเลยครับขอบคุณท่านค่ะออืยากจะถามสักข้องค่ะครับเจริครับถามว่าเราถือ ศาสนาพูดเนี่ยนะคะไหว้พระทุกวันเนี้ยเวลาถึงเทศกาลกินเจเราไปกินเจนี่ไม่ทราบว่าเราจะได้บุญไหมคะครับผมมีข้อเดียวนะครับอ่าอันนี้วูจะกินเจ้นะครับเดือนตุลานะครับค่ะแล้วกินทุกปีไหมครับทุกปีค่ะก็ครับผมครับผมและฝังทางวิทยุนะครับค่ะขอบพระคุณครับปรดิษฐตาลาค่ะอือคือการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมันก็เป็นบุญนะฮะบุญแปลว่าการชำระล้างกิเลสนะมีผลเป็นความสุข ตอนการกินเจนี่กินเถอะเหมือนก็สงบจากความอยากจะกินเนื้อลงไปแต่ข้อสำคัญที่ต้องรับมันระวังมากที่สุดคืออย่าคิดว่าคนจะบริสุทธ์พอกินเจครับเพราะถ้า กัรกินเจคือบริสุทธิ์แล้วก็แสดงวัวควายเนี่ยมันก็บริสุทธิ์กว่าคนเพราะมันไม่เคยกินเนื้อเลยนะคือคือมันมันต้องมีเหตุผลใหญ่ให้เกิดอหังการอย่ายให้เกิดอติมานะไปดูหมิ่นคนอื่นอตอนที่เราจุดอ่อนของคนกินเจคือกินแล้วไปดูหมิ่นคนอื่นที่กินปลากินเนื้อถามว่าเขาไม่บริสุทธิ์เท่าเรานะอ่าไอเนี้ยมันจะเกิดมานะมัไม่คุ้มฮะมันได้คุ้มครับคล้ายๆกันเราเอาน้ำใสใส่ไปด้านหนึ่งแล้วก็น้ําขุนไหลลงมาอีกด้านหนึ่งน้ํามันก็ขุนเหมือนเดิมนั คือหมายความว่าเราลดโลภะแต่เราเพิ่มมานะไงต้องระวังเลยนี่แล้วเพิ่มทิฏฐิด้วยครับผมอะาอานฝันครับผมทีนี้การกินเจเนี่ยบางทีเรากินในตัณหาคืออยากกินครับผมอยากกินมันก็เป็นการกินในตัณหาครับตัวการสำคัญว่า บ, บุญเนี่ยคือต้องชําระล้างอืมไม่ใช่ว่ากินแล้วามาอวดกันครับผมปัญหากินเจบ้านเรานี่มึงไปลักษณะอวดกัน แต่ว่าถ้ากินด้วยจิตบริสุทธิ์กินเถอดดีแล้วนะท้องไส้ก็ดีด้วยครับผมะท้องไส้ก็ดีด้วยถ้าไม่ใช่ถ้าเถ้าเรากินเจแล้วสมมุตินะฮะหลายท่านกินเสร็จแล้วไปกวดน้ำที่สกสอดนี่จะได้บุญไหมก็มันมันเป็นบุญได้กินเจเนี่ยมันก็พูดยากนะมันไม่รู้ทําอะไรอ่ะนะครับใช่ครับเครื่องพิสูจนอะไรอะไรก็สงสัยคือคือปัญหาว่าที่เราคิดมันคืออะไรครับ คืออย่าลืมน ะ, ะว่าการกินเจเนี่ยที่จริงมันเป็นธรรมเนียมที่สมัยพระเจ้าเหลียงบุตรเต้สมัยของจีนเป็นธรรมเนียมของจีนที่เขาคิดสร้างขึ้นมาเพื่อจะยุติการฆ่าสัตว์ไปอาหารเพราะว่าสัตว์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมมันเกิดไม่พอครับคนกินมากเกินไปครับโดยก่อนพระชุดแต่งคมภีร์ขึ้นมามังสวิรัตเนี่ยเขาไม่เรียกมังสวิรัติหรอกมังสวิรัตมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรจับ จับไปบวชเป็นภาษาบวชใรเป่า ค, คือคือคือให้คนงดเว้นจากการกินเนื้อเพ <Lydia> ื่อจะรักษาสิบิษว์ไว้ในภาคเกษตรกรรมแล้วบอกว่าเป็นการบูชาดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พระจีนเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างเพราะงั้นพระจีนเลยต้องกินขยะนรับกินขยนในแง่ของวินัยมันต้องอาบัด ใช่ครับแล้วก็ท่านก็ยักกระสายว่าเป็นอาหารที่เป็นยาชุเนป็นอาหารที่เป็นยาก็คือคือข้อสำคัญว่าอย่าให้เกิดเพิ่มกิเลสดูจิตตัวเองเถดดูจิตตัวเองเถมันไม่แปลกหรอกมันนู้ดแต่งกินอะไรก็กินไปเสะอย่าไปกินสิ่งต้องห้ามกันแล้วกันครับผมชาวตุรกีจะกดใจคร022413315นะครับโทรศัพท์สอบถามปัญหาเข้ามาได้นะครับครับผม มีแฟลรายการเนี่ ย, เ, ย เ, ดเดี๋ยวเขาเขาถามมาอภิสังขาระมานคืออะไรอธิบายด้วยอภิสังขานี่คือบุญคือบาปคืออรูปฌานทีนี้ไอบาปเนี่ยมันเป็นมารสากลเกิดมันความมันทุกคนแหละมันเนเป็นมารดังนั้นเดี๋ยวยีนี้บุญเนี่ยเป็นมารที่จะเหนียวรังมไม่ให้เราหลุดพ้นจากสังสารทุก ก้อนอภิอสังขารมานคือรูปปัจจานเนี่ยถรติดมันก็คือติดอยูาาา่ที่สมบัติติดอยูที่รูปปัจจานอยู่ในเป็นรูปพระรมก็หนอีรังจิตเอาไว้ไม่ให้ไปสูมป่มรรคผลนิพพานได้มันก็เป็นมานขัดขวางตัวน้นครนะไม่ใช่มารสากลแล้วมารสากลนีค่นนคือบาปครับบาปอย่างเดียว it, ส่วนบุญนี้มันไม่ใช่มารสากลหรอกเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นนิดนะฮะแต่ว่าพอเราจะถึงนิพพานมันก็เป็นมานครับมันก็เหมือนกัะเรือที่เราต้องอาศัยเนี่ย มันก็เป็นนิดแต่พอเราจะขึ้นฝั่งเนี่ยมันเป็นมาเราต้องสละเรือเราต้องสละดเรือร่อนจริงต่อนสลละมันเขาเรียกว่าปุญญะปาปะปายโนคือต้องละได้ทั้งบุญทั้งบาปจึงจะเป็นนิทานได้ครับบางคนบอกละบาปอย่างเดียวต้องละบุญด้วยนะครับต้องละทั้งบาปทั้งบุญครับขอบคุณด้วยกันครับบวเดี๋ยวกี้นี่ปัญหาจากทางบ้านนะครับก็ได้ฝากท่านอาจารย์ธนพลฝากมาถามข้างในนะครับสายต่อไปสายที่สิ้าครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสอบถามได้เลยครับครับนักการหลวงพ่อครับครับเระบอ่างก็ไปบีโดบาแล้วครับหลวงพ่อที่เ็นว่าคนสมัยพุทธก้าเนี่ยทำไมบางบุกป๊อกก็ตัดสินุบปอกตัวไม่ผานอะไรอย่างเงี้้าวอรหันเนี่ยฮะ ในปัจจุบันนี้มันไม่มีครับแล้วก็เร่อเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้เป่าครับใครับทําให้ให้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับใช่ครับครับรับฟังทางวิชยนะครับครับขอบคุณครับเป็นยุคสมัยของมนุษย์โยมย้อนไปโยมเห็นว่ายุคนั้นก็ถือเป็นยุคทองทางศาสนาและปรัชญามันเกิดทั้งที่กรีกทั้งที่อียิปต์คืออียิปต์ทั้งที่จีนทั้งที่อินเดีย นักปราจะเกิดยุคเดียวกันนะฮะยุคเดียวกันเราเนี่ยมันเกิดจุ่อยู่ตรงเนี้ยครับเป็นยุคทองทางศาสนาและปรัชญาเพรคนมีบรารมีเนี่ยเขามีบุญกระทําไว้ในการก่อนเขาครบเลยเก็มาเกิดร่วมกันคร<ช>ับมาเกิดร่วมกัน ค, คือคือคืออย่าลืมว่าไอ้เงื่อนไขสี่อย่างเนี่ยคือหนึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์สองมีชีวิตดํารงอยู่อย่างต่อเนื่องสามมีโอกาสฟังพระสธรรมสีการบังเกิดของพระพุทธเจ้านี่ต้องอาศัยบุญมากครับ สอย่างนี้ยถ้าได้ด้วยกันแล้วก็ถือว่ายอดล่ะครับใครๆได้พร้อมกันเนี่ยครับเพราะงั้นท่านเหล่านั้นก็เกิดแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้คนที่ไม่บรรลุที่จริงมากกว่าครัพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่บรรลุมากผลเน่ยมันเหมือนมันมีจํานวนน้อยคนส่วนใหญ่ก็ล้อล้ฝั่งไปแต่นั้นเองครับแต่ว่าคนที่ไม่บรรลุเราไม่ได้พูดครับนะเราพูดเฉพาะคนบนรรลุ นะมันเหมือนกับตอนที่เรียนหลวงพ่อคูลดังที่อรอยยันบ้านซาตะับเขาพูดเฉพาะคนรอดว่าแ <c oughs> ขวนเ <c oughs> พรเาะแขวนเรียนหลวงพ่อคูณ <c oughs> แต่เขาไม่ได้พูดตังคนตายที่มีเรียนหลวงพ่อคูลเหมือนกันแต่เรียบร้อยก็ได้ไอ้เนี้ยคือคือคือเขาเสนอด้านบวบเขาเสนอด้านบวกแต่เขาไม่ได้พูดภูมิหลังว่าถ้าภูมิหลังแลว้วอู พันต้องไปดูในเทระคาถาเทตีคาถานะเขาจะเล่าภูมิหลังให้วามว่าคนระเนี้ยมีบารมีทำยังไงมีบุญยังไงสร้างมายังไงโอ้มมนเยอะก <c oughs> ว่าจะต้อ<ช> คือเขาพูดตอนปลายไงพูดตอนที่มันออกผลแล้วง่ายนิดเดียวผลสุกแล้วเก็บเลยกินเลยนะแต่ที่จริงกว่าจะเป็นผลอูบนากราบขอบคุณที่ติดใจข่าสาที่ยี่สิบครับสวัสดีครับกรรมการสภานุกรมหลพ่อและขอสวัสดีผู้ดำเนินรายการเลยครับสวัสดีครับขอสอบถามปัญหาธรรมะหน่อยครับครับผมข้อที่หนึ่งทานกับจขาฆ่าต่างกันอย่างไรครับครับผมข้อที่สองคำว่ากับการแม่นับยังไงครับ ขอฟังทางวิทยุนะครับครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับครับ ทานกับจาคะทานปจาคะเนี่ยหมายความมาถ้าอยู่ด้วยกันอย่างแนวทศพิธราชธรรมเนี่ยหมายความว่าทานก็คือการสละวัตถุสิ่งของต่างๆครับแล้วก็จาคะเนี่ยคือสละประโยชน์สุขของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่หมาชนครนะทําไมทานยังอยู่ตรงนี้ไม่พูดถึงอภัยทานเพราะในทศพิธราชธรรมมันมีอโกธะอยู่ครนะมันอยู่ที่น้นแล้วอภัยทานไปอยู่ที่อื่นมันทานตรงนี้จึงพูดเฉพาะเรื่องวัตถุเท่านั้นครับจาคะจึงสละประโยชน์สุข ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุแก่บุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันมันมีอารมณ์อื่นเพียงแต่ว่าธรรมะมันตั้งสี่ข้ อ, อมันก็กลายเป็นภาระที่รับกันเหมือนเสาสิบเสาเนี่ยน้ำหนักมันก็ไม่ทุงที่ใดที่หนึ่งก็แบ่งแบ่กันละครับคื อ, ค, อคือธรรมะให้จับประเด็นอย่างหนึ่งว่าถ้าน้อยเนี่ยกรอบจะใหญ่ครับถา้ามากนี่กรอบจะแคบครับนะอันนี่ น, นี่คือหลักครับเหมือนกัสบสะพานถนนตาลระดัเห็นมไหมเสาเดียวเราดีอยู่แต่มันแต่มันแต่มัน รับรับรับพื้นที่อย่าดูเลยเห็นนะเจอของมก็ต้องโตอ่ะต้องโตครับท่านอะไรอีกนะกลับกันนี่นับกลับเนี่มันแล้วแต่กลับอะไรครับนะถ้ากลับอายุก็คืออายุไขของมนุษย์อย่างในปัจจุบันกลับอายุของมนุษย์ก็ตกประมาณเจ็ดิห้าเฮ้ยอายุไขของมนุษย์ในแต่ละยุครับพระพุทธเจ้าก็สมัยพระพุทธเจ้าก็คือร้อยนะเรียกว่ากลับหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากลับโลกเนี่ยกลับสังเอีกลับกลสากลจักรวาลโอ้มันนับไม่ไหวเลยครับ นับยากต้องพูดเป็นอุปมาครับผมเนี่ยท่านอุปมาว่าเหมือนกับเหมือกกำแพงสูงด้านละยอดเนี่ยด้านละยอดสูงด้านละยอดกว้างยาวด้านละยอดเนี่ยแล้วก็มีคนเอาเม็ดพันประกาศไปทิ้งนะฮะไปทิ้งก็ปีละเม็ดเลยครับร้อยปีเม็ดร้อยปีเม็ดนะครับแล้วยังเต็มตอนนั้นยังไม่ได้กลับเลยคือเพราะเรามันมันนับไม่ได้บิลล์นับกันเลยฮะเสียเวลาครับผมขอบคุณเจ้าอาเจียนครับ ครับผมซูสองสองสหนึ่งามสนะครับทุกผู้ชมครับพอดีตอนต้นรายการฟังที่อาจารย์พูดถึงเรื่องหนังสือที่ทุกจู้ชมเขียนจะอนาคตจะเกี่องพระเจ้าศกมหารานนี่เป็นยังไงบ้างครับทุกผู้ชมครับเขียนอยู่แล้วนะคือก็ลังทำกรุ๊ปแล้วก็อีกจะไม่กี่วันจะส่งแล้วก็จะมาปรับปรุงเป็นหนังสือจากใจสู่ใจเล่มสองอ๋อเล่มสองเล่มสองครับผมเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องเน้นที่พุทธกยา กับเน้นที่สารนาศที่สิบอัตนะก็ว่าก็ไปก็พันหน้าเลยขอบคุณทุกท่านับสายที่ยี่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอบถามได้เลยครับเขอประชาปฐาว่าคือว่าจะพาว่าภลอดัระกันไตรจุฎิกับพระไตรจุฎกต่างกันอย่างไรคะโอครับผมกราบรับฟังจางวิจิตรนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึงค่ะครับผมถึงครับอานิสง์ของการสร้างปัจจัยพิด้ลย์ค่ะครับขอบคุณมากครับครับยอดพักกันกับพระกันปักกัไหครับเยอดพักการในี่ยที่จริงมันเป็นมันเป็นผู้เวทมนตรับแล้วก็แปลมันคือเรื่องขพระวิญญาณไม่เคยถูกเรื่องครับอ่าคือเข้าใจว่ามันมาจากมิกายมนตรยานซึ่งแผ่เข้ามาทางด้านทางด้านพม่า แต่ด้านพม่าสมัยอนุรัฐมังชก่อนรองทํามังช่ อ, นอชหน่อยหนึ่งนะฮะอนุทัศนมหาราชเนี่ยมันมีลัที่เขาเรียกครูอารีแต่ว่าที่ลังกาในเขาเรียกวัยบุญละแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยเขาเรียกวมณตรยานครับ นะฮะคือคื อ, ค อ, ค อ, ค อ, คอมันก็แพร่เข้ามาในประเทศไทยเพราะฉั้นเนม็ดมลขอเราจึงเยอะไงครับอ่าก็ก็ไทยเราก็ติดอยู่ตรงนี้แล้วเอามาเจอสวดกันแต่มันก็เป็นอนุสตินะฮะคือคสอดได้แต่ว่าต่างจากพระไบริฎกไม่ได้เกี่ยวกันนะทีไม่เกี่ยวกันก็ ก, ก, ก, ก็ก็มีข้อความในภระไตริฎกก็มีอย่างนั้นนะ่ะครับแต่ว่าคนละเรื่องกันอันนี้เป็นหนังสือเขียนทีหลังครับ อันนี้ส่วนขการสร้างพระตะบินดาว่าก็ตัวตัวหนังสือเป็นวัตถุฐานนะฮะตัวเนื้อหาเป็นธรรมทานก็ได้บุญมาก่ะฮะก็ได้บุญมากเพราะว่าเรียลืมว่าใส่ไปโดรกลอเลนเนี่ยอาจจะสี่ห้าสิบปีเนี่ยคนอ่านไม่รู้สกิทเท่าไหร่แล้วขยายผลต่อได้เท่าไหร่ไหมนะเพราะเราได้สร้างครับมันก็สร้างเถอะพระตะบินโดดนี่ได้ได้ประโยชน์มาหายแหล่ครบผมขคุณมี่จเปิดจากข้อสายี่สิบสองครับสวัสดีครับ รับเชิญสอบถามได้เลยครับครับผมแล้วแต่คุณครูปิวัติแล้วศาสนพูดธศาสนาอ๋อครับผมครับอ๋อครับผมแล้วฟังกับนิดนะครับครับผมครับผมสอบถามว่าอนาคตจะเรื่องศาสนาพุทธศาสนาประจําชาติที่จะาคุณจารยบอกอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวหรอฮะคือคือก็ปฏิรูปกเรื่องคนเรื่องกันฮะค ต้องมีสาภาสช่ก่อนครับมีสาภานี่แอบเขเรียกว่าสาภาอะไรก็เรียกอะไรสาภาปฏิรูปไม่ใช่ผลคือประยอ่าเขาที่นี้่เขาเรียกสมสมุติมันเริ่มมาเริ่มทีม่สมัชชาหรืออะไรไปแล้วก็ทำที่ร่างรัฐธรรมนูญนะมันก็ต้องคุยกันตอนโน้อนั่นแหะก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้กระทั่งเทือนตรงอื่นก็ต้องการแก้ปัญหา ที่เขาคิดว่ามเป็นปัญหาต้นนั้นเองครับครับทุกท่านครับประเดี๋ยวมื่อตอนต้นรายการที่จะเคุณจารพูดถึงเรื่องพระตะบดกนะที่จะเคุณจารบอกว่าน่าจะมีการสวดพระตะบีดกผมฟังแล้วถึงก็เอดคำดีดีนั่นมากคือมันเป็นมันเป็นโยงฟังไม่ดูเรื่องหรอกแต่ว่ามันจะเป็นอนุสติเพียงแต่ว่าเราต้องซ้อมคนที่สวดแล้วต้องเป็นพระแล้วก็ให้ดีต้องเป็นมหาปรียนครับเพราะว่าเสียงออกเสียงนี่สําคัญมาก ถ้าเสียงมันเพี้ยนแล้วก็จะไปเลยครับร บ, บการสวดนี่ไม่ได้อทีนี้ถ้าเราทําแล้วี่หมายความมายมเปิดฟังเนี่ยอยอมความไม่รู้หรอกแต่ว่าโยมก็ได้ท ร, รมาสัญญาคือนั่นคือเสียงธรร ม, มะ<อ>มันจิตมนจะสงบเช่นสมมุติเราเปิดแล้วก็นอนหลับไปเลยฟังพระตรีดกไปด้วยนะครับใช่ใชมผมนอนหลับไปเลยครับสมมติเราจะถ่ายลงสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นอนฟังเสียงไว้เนี่ยครับมันก็เป็นอนุสติ แต่ว่าที่ที่เห็นว่าพระจะสวดเนี่ยมันต้องสวดเป็นภาษามคตสำเนียงมคตเพราะว่ามันฟังได้สากลทั่วโลกครับท่านครับ ค, ค, คือคือคือเสียงเสียงมคตเนี่ยมันเป็นเสียงสากลครับอ่เช่นว่าตัวทอทหารเป็นเสียงรอดเด็กตัวพอพานเป็นเสียงบวบใบไม้เนี่ยเน<อ>ี่ยตัวพอเอาตัวตัวทอนทอนานโทก็เป็นเสียงรอดเด็กครับเนี่ยก็ก็ก็ก็เสียงมันจะต่างกันครับผมเอ่อ ใช้เวลานานมันก็ช่วยได้ครับอุตสสวดก็งงนานก็กทงควรประมาณเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นหลายลก็ก็คงจะไม่ไม่น่าจะถึงเนี่ยครับก็ถ้าเราเอาเฉพาะพระสวดพระสตดคืออย่าเอาที่พระวินยัยพระวพระวินัยมัน